ปกติแล้วพระพุทธเจ้าไม่จำเปะไปหาใครง่ายๆนะถ้าเขาไม่มีบุญไม่มีวาสนาะไม่มีอุปนิสยัยไม่มีอัธยาศัยที่จะได้บรรลุธรรมเนี่ยพระองค์ให้เก็บตัวตลอดเพราะนนั้นพระองค์จะไปเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ที่จะบรรลุธรรมเท่านั้นเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าองค์กรพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระพุทธเจ้าองค์กร พ, พระนามว่ากัสสปะพระองค์นี้เกิดความสนิทสนมในพระอริยสาวกผู้ตั้งอยู่ในผู้ที่ตั้ง คือผู้ที่เป็นพระอนาคามีชื่อว่าคติการะมากพระพุทธเจ้าสนิทสนมเป็นพิเศษกับอุบาสกอนาคามีเพราะอุบาสกคนนี้เป็นผู้ที่เคารพธรรมเป็นผู้ที่บูชาธรรมเป็นผู้ที่เลี้ยงดูพ่อแม่ประกอบอยู่ในสัมมาอาชีพเป็นคนดีมากเลยเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยสนิทสนมถึงขนาดว่าอาหารเนี่ยที่เขาตั้งไว้พร่องไปเปิดหม้อฉันเองเลยอันนี้เรื่องหนึ่งพออุบาสกคนนี้ได้ฟังเนี่ยนะ ว่าพระพุทธเจ้ามาเปิดหม้อฉันอาหารของเขาเองอะ่ะปีติสิบห้าวันปลื้มปีติดีใจติดกันเลยสิบห้าวันพ่อแม่ดีใจติดกันเจ็ดวันของเราจะดีใจขนาดนั้นยังไงเห็นติดกันสักสองนาทีเธอก็ดีใจแล้วนะถ้าใครได้ถึงสองชั่วโมงหูเก่งจริงๆเลยนะน้าโรงแรมเคยปลืม้มมั้ยเนี่ยผลลุกเลยสู้เลยเคยบ้างหรือเปล่าน้องนะเ้าเฉาอยู่ยังไงมาใครแน่ใจเมื่อกี้น่ะ ในอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วอีกอย่างหนึ่งหลังคาพระองค์เนี่ยรัว่วกุติพระกุติพระพุทธเจ้ารั่วพระองค์ก็เลยใช้บอกว่าพิสูุน่นไปเอาหญ้าจากบ้านคติการะช่างหม้อมาพิสูจนก็ไปรื้อเอาหญ้าเนี่ยมามงกุติพระพุทธเจ้าหมดทีนี้คติการะกลับมาถึงบ้านเอาใครมารื้อหลังคาบ้านไปบอกเนี่ยพระพิสูจมารื้อเอาไปกุติพระพุทธเจ้ารัว่วอเลยมารื้อหลังคาไปมงกุติพระพุทธเจ้าท่านฟังแล้วท่านปีติอีก15วัน นะพ่อแม่เนี่ยดีใจปีติเจ็วันด้วยกันเนี่ยนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสนิทกับกับอุบาสกคนนี้มากพิเศษเลยว่างั้นแต่เหมือนกับคนพิเศษขนาดพระราชานิมนต์พระพุทธเจ้ายังไม่สนใจนะเพราะว่ารับนิมนต์อุบาสกคนนี้ไว้แล้วซึ่งพระเจ้ากิงกีนะพระเจ้ากิงกีเป็นพระสวสดาบาลก็มีใครที่เลื่อมใสกว่าหม่อมฉันอีหรือพระเจ้ากาพระเจ้ากิงกีว่านะก็บอกมีเนี่ยจะยกเรื่องคติการะอุบาสกเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้กันเนี่ยนะ อันนี้เรื่องหนึ่งอันนี้ย้อนกลับมาเรื่องพระพุทธเจ้าของเราอีกครั้งหนึ่งเรื่องที่พระองค์ครบทรมมีอยู่ว่าวันหนึ่งจวนเข้าพรรษาพระพุทธเจ้า ก, ก็แวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เดินทางออกจากเชตวันพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ไปอันนี้มนินมนต์จมพรรษาอยู่ที่นี่เธอพระเจ้าข้าไปอ้อนวอนขอร้องนิมนต์พระพุทธเ จ, าจ้าจมพรรษาพโป่งก็ไม่รับคําอนาถาไปอีกก็ไปนิมนต์อีกพระองค์ก็ไม่รับ นางวิสาขาเป็นต้นไปพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมกลับท่าเดียวว่า ง, งั้นเถอพระองค์จะไปจำราษาที่อื่นจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ารู้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นพอท่านอนาธาบินติกานิมนต์พระพุทธเจ้าให้อยู่จำรรษาที่นั้นไม่สําเร็จก็นั่งเสียใจทาสีนางปุนาปุณนานี่แปลว่านางร้อยเนี่ยนะโดยศัพท์นี่แปลว่านางร้อยหรือนางเต็มเต็มเนี่แปลว่าเต็มร้อยพอดีเขาบอกว่าเป็นทาสีมงคลนาสีมงคลเนี่ยเขาเคารพมาก เขาไม่ค่อยใช้งานกันแล้วแต่มันกันแล้วกันคือแบบธาตุคนที่ร้อยเนี่ยเขาจะเขาก็จะเคารพนะเขาคือเป็นคนพิเศรษรักเหมือนลูกเหมือนหลานไม่ค่อยใช้งานมันอยากทําก็ทํามันไม่อยากทําก็ไม่ต้องไปใช้งานมันทั้งนั้นแหละนางปุนานเนี่ยเป็นทาสีก็เลยไปพูดกับอนาถาว่าเจ้านายเสียใจหรือเออเขาเสียใจสิเพราะไม่สามารถจะนิมนต์พระพุทธเจ้าให้กลับได้เมื่อเป็นอย่างนั้นข้าก็เลยมาคิดว่าคงไม่ได้ฟังธรรม สามเดือนไม่ได้ถวายทานไม่ได้ทําบุญอย่างที่อยากทำตั้งสามเดือนใช่นะไม่ได้ทำบุญตั้งสมเดือนเนี่ยเสียใจมากเลยนะใครบัางเสียใจแบบนี้บ้างเสียใจอดทําบุญตั้งสามเดือนเลนะอาจจะมีบ้างะนะแต่ว่าไม่มากนางปุณณนะทาสีก็บอกเจ้านายถ้าหากว่าฉันจะนําพระพุทธเจ้ากลับมาล่ะเศรษฐีก็บอกถ้าเจ้าสา ม, มารถนิมนต์พระพุทธเจ้ากลับมาได้จริงนะฉันยกให้เธอเป็นไทยเลยเลิกเป็นทาส ต, ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นางก็เป็นหมอบแทบเท้าทั้งคู่ของพระพุทธเจ้าทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์โปรดเสด็จกลับเธอนิมนต์กลับเธอพระพุทธเจ้าบอกปุนาเจ้าเนี่ยเป็นขี้แปลภาษาไทยแบบเธอเป็นทาสเขาอะนะอาศัยเขาเลี้ยงชีวิตเนี่ยเธอจะไปทําอะไรนิมนต์กลับเนี่ยเธอจะไปทํำยังไงไหนว่าไปสินางก็บอกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ไม่มีทายาทมรคก นะท่านเศรษฐีเป็นต้นเขาจะมีเข้าวเขาก็แบบอ้างเดี๋ยวจะเอานั่นทําบุญให้พระองค์อันนี้จะมาบูชาพระองค์แต่หม่อมชั้นไม่มีทายาทไม่มีเครื่องสการะบูชาพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าหม่อมชั้นเป็นทาสเขาอะนะแต่ถ้าหากว่าพระองค์กลับเพราะหม่อมชั้นเป็นเหตุหม่อมชั้นเนี่ยจะตั้งอยู่ในสารณะจะถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะจะรักษาศีขาบทจะปฏิบัติตามคําสอนทุกประการ พระพุทธเจ้าบอกสาธุสาธุดีแล้วปุนาพระองค์ก็เลยกลับเชตวันไปกันเลนะตอนหลังเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นอนาถดาีก็คิดว่าพระพุทธเจ้ากลับข้อนางปุณนานางปุนาก็แต่งตั้งให้นางเนี่ยเป็นไทยมายว่าเลิกเป็นทาสอีกต่อไปแล้วก็ตั้งไว้เหมือนกับลูกสาวของตัวรักเท่ากับลูกสาวนางก็เลยขอบวชบวชแล้วก็เจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหรัน ขั้ตอนที่นางเจริญวิปัสนาเนี่ยนะวิปัสสนากําลังเป็นไปพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้เธอฟังว่าดูก่อนปุนาเจ้าจงบําเพ็ญศัทธธรรมให้เต็มเหมือนพระจาร่าในวันเพญ็ญสัทธธรรมตัวนี้แปลว่าโพธิปักจะธรรมเธอจงบําเพ็ญโพธิปัจจะธรรมให้เต็มเหมือนพระจาร่าในวันเพญ็ญอย่าให้พร่องนะจักกระทำที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งทุกเป็นชื่อของนิพพานด้วยปัญญาที่บริบูรณ์ได้ไหมายถึง อริยมรรคขปัญญาถ้าเธอประพฤติโพธิปัคยธรรมเจริญปัญญาให้บริบูรณ์ก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์คืออรหั ต, ตผลบรรลุพระนิพพานได้พูดพอพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้จบนางก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนหลังก็เป็นผู้ที่กล่าวธรรมได้อย่างวิจิตก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสมัยพุทธกาลมากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ เคารพธรรมนะนะเพราะความเคารพธรรมแท้ๆว่าเขาจะถึงสารจะถึงสารณะจะสมาทานศีลเขาจะได้ประพฤติปฏิบัติและบรรลุมรรคผลพระองค์ก็เลยกลับเลยพระราชานิมนต์ไม่กลับนะทาสีนิมนต์แล้วกลับเนี่ยเพราะอะไรเพราะเคารพธรรมอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งเมื่อพระนันทะเทระหรือนันทะกะเทระเนี่ยนะแสะดงธรรมอยู่ที่โรงฉัน พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่นำอะไรไปไปประทับยืนคือคือพอพระนันทกะมีกําลังแสดงธรรมอยู่พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาพอดีพระองค์ก็ประทับยืนฟังธรรมกถาตลอด12ชั่วโมงตั้งแต่หัวค่าเนี่ยพระนันทกะเริ่มแสดงธรรมนะพระพุทธเจ้าก็ยืนฟังปฐมยามผ่านไปมัดปฐมยามัชชิมยามและก็ปัจฉิมยามพระนนทมาเตือนบอกเนี่ยสิบจเที่ยงคืนนะพระเจ้าค่ะพุทธเ้านะคอยเตือนแต่พระองค์ก็เงียบฟังธรรมอย่างเดียว พอจบพระองค์ก็สาธุการมาสาธุสาธุพระพิสุก็เลยตื่นตัวกันเลยนะเอาพระพุทธเจ้ามายืนฟังตั้งหัวค่ำาก่อนเสร็จแล้วพระนันทกะก็มาถวายบังคมทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มาตั้งแต่เวลามาเมื่อไหร่พระเจ้าค่าพระองค์ก็บอกว่าเมื่อเธอพอเริ่มพระสูตรทูลว่าพระองค์ทรงทํากิจที่ทําได้ยากพระพุทธเจ้าเป็นสุขุมารชาติคือไม่เคยไม่คิดว่าพระพุทธเจ้าจะยืนฟังทำได้ทั้งคืนขนาดนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านันทะ ถ้าเธอพึงอาจแสดงธทมอยู่ได้ตลอดกับเราก็จะยืนฟังทมอยู่ได้ตลอดกับเหมือนกันตลอดกลับมาถ้าเธ อ, อยืเทศจนตายเนี่ยนะเทศดีแบบนี้แล้วเทศจนหมดอายุไขเราก็ยืนฟังจนหมดอายุไขเหมือนกันอย่างนั้นน่ยวันสรุปว่าพระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้หนักในธรรมอย่างนี้เนี่ยนะสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายจะเป็นที่รักของพระตถาคตเพราะพระองค์เป็นผู้หนักใน โลกุตรธรรมและข้อปฏิบัติเพื่อโลกุตรธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะถามถึงเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยนะผู้พวกปัจนำปฏิบัตินักปฏิบัติมีอยู่4ประเภทคําว่าปฏิบัตินี่แปลว่าปฏิบัติอยู่ในกระถาวัตถุสิบนะกระถาวัตถุสิบมีอะไรบ้างหนึ่งมรคน้อยสองสันโดดสาวิเวก4ไม่คลุกคลีหปรารบความเพียร6สมบูรณ์ด้วยศีล เสมบูรณ์ด้วยสมาธิ8สมบูรณ์ด้วยปัญญา9สมบูรณ์ด้วยวิมุตติสิสมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานัทสนะเนี่ยนะพวกแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งปฏิบัติกระทำวัตถุ10เพื่อประโยชน์ตนแต่ก็ไม่ปฏิบัติเพื่อจะไม่แนะนําไม่สอนใครทั้งนั้นไม่ปฏิบัติเพื่อใครทั้งนั้นเอาตัวรอดได้อย่างเดียวแบบบูรแล้วว่างั้นอ่ะนะบางคนก็เป็นอย่างเงี้ยบางคนที่2ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น สอนคนอื่นอย่างเดียวตัวเองไม่ทําเลยเนี่ยนะรเราว่าไม่ปฏิบัติเพื่อประโยช น, น์ตนพวกที่สมปฏิบัติเพื่อทั้งประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นคนที่สี่ไม่เอาไหนเลยตัวก็ไม่เอาคนอื่นก็ไม่เอาไม่เอาใครทั้งนั้นเอาแต่บายอย่างเดียวเนี่ยนะเราว่าไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและคนอื่นเนี่ยนะคือพลคมกลุ่มที่4ในตรงนี้ก็าบอกไม่เอาสวรรค์เอาหนิพผานอะไรทั้งนั้นแหละกลุ่มแรกก่อนที่บอกว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นใคร ผู้ได้กระถาวัตถุสิบด้วยตัวเองตัวเองเนี่ยมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีสงัดวิเวกปรารบความเพียรสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนนะแต่ไม่สอนใครแม้แต่อย่างเดียวคนนั้นก็คือพระภากุละนี่นะพระภากุละนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆพระสองตะระกูลภากุละเนี่ยมาจากพระสองตระกูลคือแปลว่ า, ามีพ่อแม่อยู่สองพ่อแม่จริงกับพ่อแม่เลี้ยงเนี่ยนะ แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยมหาเศรษฐีทั้งคู่ทัานชีวิตที่มีความสุขสบายอย่างเดียวและเป็นพระที่ไม่ป่วยเลยแล้วก็ไม่สอนใครท่านก็เงียบไม่เคยเป็นภาระแก่ใครเลยไม่แต่อย่างเดียวตอนอ่าท่านปริญนิพพานตอนอายุร้อยหกสิบปีท่านบวชตั้งอายุแปดสิบเนี่ยนะบวชตั้งแต่อายุแปดสิบจนบวชไม่กี่วันก็บรรุเป็นพระอาหารและท่านก็ไม่สอนใครท่านก็อยู่เงียบของท่าน เท่าพระราษมาบัตมันไม่เคยป่วยด้วยนะแล้วไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครทั้งนั้นอยู่เงียบๆคนเดียวเนี่ยนะตลอดระยะเวลา80ปีแล้วก็ปรินีผ่านปรินีผ่านก็ห่อปรินิผ่านด้วยเนี่ยนะใครไม่ต้องมายุ่งมาคอยมาหาฟืนหาไฟอะไรให้ไม่ต้องเราไม่ต้องลำบากอะไรเกี่ยวกับเรื่องขั้นโดยประการทั้งปวงนะนะ น, นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ถามถึงพระพุทธพระพิสุแบบนี้โดยมากพระพุทธเจ้าก็ไม่ถามถึง ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ถามถึงพระภิกษุแบบนี้ล่ะก็เพราะว่าภิกษุนั้นไม่ตั้งอยู่ในฝ่ายเจริญแห่งพระศาสนาก็ดีเฉพาะตัวแต่ว่าอธิศีอธิจิตอธิปัญญาของพระองค์ไม่แพร่หลายไปในวงกว้างว่างั้นเถอะไม่คาสอนของพระองค์ไม่แพร่หลายไปในวงกว้างพระองค์ก็เลยไม่ได้ถามถึง กลุ่มที่1กลุ่มที่2 ส, ส่วนผู้ที่ตัวเองไม่มีคุณธรรมที่มักน้อยคือตัวเองเป็นคนมักมากไม่สันโดษขี้เกียจไม่วิเวกชอบคลุกคลีกับหมู่พวกไม่มีศีลไม่พรั่งพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานุทัศน์เลยแต่สอนคนอื่นเรื่องนี้ทุกอย่างตัวเองไม่มักน้อยแล้วสอนให้คนอื่นมักน้อยโอ้ยเรื่องมักน้อยนะท่านเรื่องจีวรเนี่ยทุกคนควรจะใช้ผ้าสามผืนอย่างนั้นอย่างนั้ น, งงนท่านสอนหมดเลยเพราะฉะนั้นใครมีผืนที่4มาถวายคนเทศก็งั้น อัในนัครนะพระอุปนันธาเนี่ยมีมีองค์หนึ่งสมัยพุทธกาลพระรูปนี้เนี่ยเทศพรรษาหนึ่งได้จีวรมาเกวียนหนึ่งเลยเนี่ยนะพระอุปนันธาเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ซ้อนแต่คนอื่นแต่ตัวเองไม่ปฏิบัตินะท่านท่านเป็นพลที่เสียงเพราะมากแล้วพูดดีมากแล้วก็คือท่านพูดตามอัดตามทำหมดแต่ท่านไม่ได้เจริญอะไรเลยนะนะท่านไม่ปฏิบัติท่านวันเวลาท่านออกพรรษาแลท่านจะมีจีวรไปเป็นลําเกวียนเลยเนี่ยนะ แล้วลูกศิษย์ท่านก็เยอะนะเพราะท่านเทพพูดดีพูดเพราะพูดเสียงดีนิ่มนวลอะไรเป็นต้นเนี่ยคือท่านท่านเป็นคนที่มีมีบริวารเยอะมากแล้วก็เป็นเชื้อศักยะด้วยเป็นแบบอะไรนะตระกูลวงมาจากพระพุทธเจ้าด้วยอะไรด้วยก็เป็นที่เคารพมากแต่พระพิสูรูปนี้ก็ไม่ไม่สอนอไม่ปฏิบัติเองแต่ก็สอนคนอื่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ถามถึงพระพิสูรแบบนี้อีกถามว่าทําไมเพราะพิสูรนั้นละตันหาไม่ได้ก็เหมือนกับตาเชาใหญ่โอ้ตันหาก็ตันหาเป็นกระบุงเลยเหมือนเด็ก มันพิสูรรูปนี้มีตันหา ย, ยังเป็นกระบุงอยู่พระองค์ก็เลยไม่ถามถึงประเภทที่สมตัวเองก็ไม่สอนด้วยตัวเองก็ไม่ปฏิบัติอยู่ในกถาวัตถุสิบแล้วก็ไม่สอนใครเลยเช่นท่าโลลุทายีอุทายีเละเธอมอีรูปหนึ่งทําท่าเหมือนจะเทศเหมือนจะพูดแต่ว่าถ้าแต่ท่านรูปร่างใหญ่อะไรเนี่ยดูข้างนอกหน้าเลื่อมใสแต่ว่าข้างในไม่มีอะไรสักอย่างนะสอนก็ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่เอาเนี่ยนะอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ แต่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ถามถึงพิสูจแบบนี้อกีกทําไมก็เพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองในภายในของเธอมีมากเหมือนจะต้องถูกตัดทิ้งด้วยขวานว่านั้นพระพิสูจนรูปนี้ต้องใช้ขวานผ่าว่างั้นเถอะคําว่าผ่าก็ผ่าอากุศลออกในจักใจนะเพราะอย่างนี้นต้องใช้ขวานนะว่างั้นแต่ไม่ใช่ว่าไปถังหน้าผาก น, นะแต่ว่าถากใจถากกิเลสออกส่วนประเภทสุดท้ายเนี่ยนะประเภทสุดท้ายก็คือว่าพระ อย่างเช่นภิกษุใดตัวเองได้กระทาวัตถุสิบแล้วก็สอนให้ผู้อื่นด้วยกระทาวัตถุสิบภิกษุรูปนี้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเช่นอาสีติมหาสาวกมีภาษาริบุตรพระโมกขลานะ พ, พระมหากรส ป, ปะเป็นต้นนี่คือกลุ่มพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าจะถามถึงถามว่าพ่อเหตุอะไรเพราะภิกษุนั้นตั้งอยู่ในฝ่ายเจริญแห่งพระาศาสนา มันภิกษุรูปใดที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งความเจรนิญในพระศาสนาพระพุทธเจ้าจะตรัสถามถึงพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เมื่อภิกษุเหล่านั้น เ, เนี่ยนะพระพุทธเจ้าถามอย่างนี้อ่าพระพุทธเจ้าตรัสถามภิกษุผู้ได้กระถาวัตถุสิบผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่ถามเจาะจงในถิ่นที่เกิดของพระองค์เรียกว่าชาวชาติภูมิเนี่ยนะชาติภูมิ พระพิสูจเหล่านั้นก็ปรึกษารูปว่ารูปไหนเนาะจะมีมีคุณสมบัติตัวเองก็ได้คาถาวัตถุสิบสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติอยู่ในคาถาวัตถุสิบด้วยก็บอกว่าพระปุณณมันตานีบุตรนี่แหละมีชื่อเสียงในศักตะชนบทเหมือนพระจันทร์และพระอาทิตย์ลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางอากาศเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมากในเมืองกบิลพัฒน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพิสูจนเหล่านั้น เป็นประดุดนกยูงได้ฟังเสียงเมฆเกาะกลุ่มประชุมกันเป็นดุดภิกษุผู้เริ่มกระทำคณะสาธยายกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าว่าอาจารย์ของตนคือพระปุณณมันตานีบุตรเพื่อจะสันเสริญพระปุณณมันตานีบุตรต่อต่อพระภักของพระพุทธเจ้าว่าพระปุณณมันตานีบุตรนี่แหละที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจันท์ชาวชาติภูมิยกย่อง ท่านว่าตัวท่านเองเป็นผู้มักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารบความเพียรสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญานนณทัศนะขณะเดียวกันพระปุณณนะมันตานีบุตรก็ยังสอนพระภิกษุรูปอื่นให้มักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารบความเพียรสอนให้ผู้อื่นสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญ า, นานนณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายพระปุณณนะมันตานีบุตรนี้เป็นผู้สอน เป็นผู้แนะนำให้เข้าใจเป็นผู้ชี้ชวนภิกษุเพื่อนพรหมจันทร์ให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหานให้ร่าเริงด้วยทํามีกระถาเนี่ยนะส่วนเนื้อความที่เป็นกระถาวัตถุสิบก็คงเป็นครั้งต่อไปเนี่ยนะสำหรับครั้งนี้ก็คิดว่าสมควรบรรทายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยกระถาวัตถุทั้ง1ิบทุกประการตลอดไปเนอนุโมทนา